รัตายปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่24่สสทัศกาเอกาทัศกนิบาศว่าด้วยธรรมะที่มีสิบข้อและสิบเอดข้อเป็นสุดตันตปิฎกรัตายปิฎกเล่มที่24นี้ชื่อว่าเป็นเล่มที่ห้าหรือเล่มสุดท้ายของอังคุตระนิกายคือหมวดแสดงธรรมะเป็นจำนวนโดยแสดงข้อธรรมะจำนวน1ิบและส1บเอ็ดโดยลำดับดังต่อไปนี้ ทศกันิบาตชุมนุมธรรมะที่มีสิบข้อประถมปัญนาฏหมวดห้าสิบที่หนึ่งวที่หนึ่งอนิสังสรวัรว่าด้วยผลดีตรัสแสดงอนิสงฆ์แห่งศีลที่เป็นกุศลแก่พระอานนท์ซึ่งเป็นการแสดงอนิสงค์ที่มีอนิสงค์ต่อต่อกันไปเป็นลูกโซ่สิบประการคือหนึ่งความไม่เดือดร้อน 2. ปราโมทความบันเทิงใจ 3. ปีติความปลื้มใจ 4. ปัสปสัธิความระงับ 5. ความสุข 6. สมาธิ 7. ยะถาภูตยา น, นัทสนะความเห็นด้วยยานตามเป็นจริง 8. นิพพิธาความเบือ่อหน่าย 9. วิราคะความคลายกำหนัด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 วักที่สามหาวักว่าด้วยเรื่องใหญ่ตรัสแสดงกำลังสิประการของพระตถาคตตรัสกับพระอานนท์ว่าไม่มียานอย่างอื่นยิ่งไปกว่ายถาผู้ตายานคือยานรู้เห็นตามความเป็นจริงในเรื่องนั้นๆตรัสแสดงธรรมะที่ควรละด้วยกายคือกายทุจริตที่ควรละด้วยวาจาคือวาจีทุจริต ที่ควรละเพราะเห็นด้วยปัญญาคือความโลภความคิดประทุษร้ายความหลงความโกรธความผูกโกรธการลบหลูุ่ญคุณท่านการตีเสมอความตระณีและความริษยาพระมหาจุนทะแสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายถึงเรื่องภิกษุผู้กล่าวยา น, นวาะทะหมายถึงกล่าวถึงความรู้แต่ถ้าถูกธรรมะก้าวอย่าง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 พระมาหากัจจานะแสดงธรรมแก่อุบาสิกาชื่อกาลีขยายความแห่งพระพุทธภาสิทธ์เรื่องการบรรลุประโยชน์ความสงบแห่งหาไทยโดยอธิบายเรื่องกสินสิบตรัสแสดงถึงคำถามคือปัญหาอุทเทศบทตั้งเวยากรคำตอบตั้งแต่หนึ่งข้อสองข้อไปจนถึงสิบข้อซึ่งนักบวชศาสนาอื่น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 และอาหารคือวิญญาณห้าข้อคืออุปทานนขันขันหรือกองแห่งรูปนามที่คนยึดถือหประการหข้อคืออายตนะภายใน6มีตาเป็นต้นเจข้อคือวิญญาณทิฏฐิ7 8็ดข้อคือโลกธรรม8 9ดเกข้อคือสัตตาวาด9 10สิบข้อ คืออากุศลกรรมมบทสิบได้แก่กายทุจริตสามวจีทุจริตสี่มโนทุจริตสามนางภิกษุณีชาวเมืองกัชชังคละแสดงธรรมแก่พวกอุบาสกชาวเมืองกัชชังคละในทํานองเดียวกับเรื่องปัญหาสิบข้อข้างต้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบตรัสชมเชยตรัสว่าอริยาสาวกผู้ได้สดับ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 อภิพายตนะแปดเป็นต้นในที่สุดได้ตรัสแสดงนิพพานในปัจจุบันตามหลักพระพุทธศาสนาพระเจ้าเะเสนที่โกศลกราบทูลสรรเสริญพระผู้มีพระภาคสิบข้อคือทรงเห็นว่าพระผู้มีพระภาคหนึ่งทรงปฏิบัติเพื่อประโยชน์ความสุขแก่ชนเป็นอันมากสองทรงมีศีลสาม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 รัสแสดงโทษสิประการในการเข้าสู่ภายในพระราชวังคืออาจทำให้เป็นที่สงสัยเมื่อ ย, ยิ้มกับพระมเหสีถูกสงสัยเกี่ยวกับของหายเกี่ยวกับความลับรั่วไหลเป็นต้นตรัสว่าผู้มีรายได้วันละหนึ่งกะหาปณะนะถึงวันละพันกหาปณะนะเก็บทรัพย์ที่ได้มานั้นไว้มีอายุหนึ่งร้อยปี ก็อาจมีกองโคกศัพท์ใหญ่ได้แต่ที่จะสวยสุขโดยส่วนเดียวอันมีทรัพย์เป็นเหตุสักคืนหนึ่งวันหนึ่งหรือครึ่งวันก็ยังไม่แน่เพราะกามเป็นของไม่เที่ยงส่วนสาวกของพระองค์ไม่ประมาทบำเพ็ญเพียรสิบปีเก้าปีหรือสิบเดือนเก้าเดือนถึงหนึ่งเดือนหรือสิบที่วาราตรี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 ส่วนอโลภะคือการไม่โลภเป็นต้นเป็นปัจจัยแห่งการกระทรรากัลยาณกรรมตรัสแสดงธรรมะสิบอย่างที่บรรพชิตควรพิจารณาเนืองเนืองคือหนึ่งเรามีเพศต่างจากขฤรือหัดแล้ว 2. ชีวิตของเราเนื่องด้วยผู้อื่นส ยังมีกิริยาอาการที่ดีงามอย่างอื่นอีกที่ต้องทำา 4. เราติดตนเองโดยศีลได้หรือไม่ 5. ผู้รู้พิจารณาแล้วติเราโดยศีลได้หรือไม่ 6. เราจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิน้น 7. เรามีกรรมเป็นของตัว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 ในทํานองเดียวกับนาทกรณธรรมมีศีลเป็นต้น